มิลินทาปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทาปัญหาเมนดกะปัญหาปฐมวัคสัธรรมอันตรธานะปัญหาที่เจ็ดถามว่าที่ตรัสว่าสัตธรรมจะตั้งอยู่5า้าพันปีเหตุไรภ า, ายหลังตรัสว่าผู้ปฏิบัติมีอยู่ตราบใด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 พระองค์ตรัสกำหนดเขตไม่มีส่วนเหลือว่าอานันทะดูกระสำแดงอานนท์ถ้าพิกขุนีไม่บวชพระัิธรพึงตั้งอยู่ได้หลายพันปีนักหนาการนี้พระัิธรจะตั้งอยู่ได้เพียงห้าพันปีเท่านั้นพระตถาคตเจ้ามีพระพุทธฎีกาตรัสไว้ดังนี้บพิษพระราชสมภารจะเข้าพระไทยอย่างไรจะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถึงเวลาเสริมพระัธร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 ส่าใหญ่จะคาจากอุทากังเหมือนหน้าฤดูขิมหันมาหรือประการใดราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์ตรัสว่าสักนั้นจะได้เปล่าจากอุทากังหามิได้เหตุว่าสายฝนบันดาลไม่ขาดทาราพระนากเกษซนถวายพระพรว่ามหาราชาดุรานะบพิษผู้ประเสริฐจะเปรียบอุปมาฉันใดสัทธามะตลากัง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 ผูกใจที่จะรำพึงถึงพระอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ประมาทที่จะกลิศดาพิณิหารมีอุสาหะไปทุกตัวคนอุปมาเหมือนหาฝนหาน้อยหาใหญ่ตกลงในสระอันกล่าวคือพระศทธรรมคําสั่งสอนของพระชินสีเหตุฉนี้ชินะศาสนงคําสั่งสอนของพระชินสี ก็จะทีติการตั้งมั่นไปช้านานเป็นเนรันดอนก็จะสำเร็จพระอรหันต์หนึ่งเนืองติดกันไปโลโกอสุญญ์ภเวยะโลกก็จะไม่สูญเสื่อมไปเร็วพลันอรหันเตหิจากพระอรหันต์ทั้งหลายอิมังอัตถังสันทายะนี่แหละสมเด็จพระชินเนนทรนทรงพระดาริเห็นความเชน้พาสิตังจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่า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 โชตนาการไปไม่ขาดทัศ ส, สหัสสมหิโลกธาตุยาในหมื่นโลกธาตุด้วยมารยาทและศีลคุณวัตรปฏิบัติต่างๆนานามหาราชะดูกระบวชิษ พ, พระราชสมพานผู้ประเสริฐพุทธบุตรตาอันหนึง่งถ้าพระพุทธบุตรทั้งหลายปรนิบัติให้เลิศยิ่งมีความอุตสาหศรัทธา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 หรือว่าจะมีมนทินโทษเป็นประการใดนะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงมีลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอลงการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนผู้ประกอบด้วยปรีายาญาณแต่พื้นกระจกยังพองใสซ้ําขัดสีอีกเล่าก็จะพองใสไพรโรธหาโทษไม่ได้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่าชั้นใดก็ดีชินะสาสนัง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 ลึกนักหนาอุตานีกะโตพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้ตื้นขึ้นได้ตั้งแต่นี้ไปพวกเดรัจฐีจะบระรับประวาดซอดเข้ามาว่าให้ฟั่นเฟือนอย่างไรไม่ได้แล้วนับแต่ว่าจะลี้ลับอับประพาคไปพระผู้เป็นเจ้านี้ประเสริฐกว่าหมู่คณะทั้งปวงหาใครจะเลิศจะล่วงกล้าเกินกว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีในการบัดนี้